คุณผู้ฟังคะเมื่อครั้งที่หลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังนะคะท่านยังเป็นพระภิกษุหนุ่มจากที่ราบสูงแดนอีสานอันเป็นมาตุภูมิค่ะจิตใจกำลังฮึกเหิมคึกขนองอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาอยากพิสูจน์พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีความลำเลิ่ประเสริฐอย่างไรแค่ไหนท่านจึงพยายามค้นหาโดยการจริญรอยตามในทุกเอริยาบทและก็ถูกวิธีปฏิบัติไม่หวั่นไหว ต, ต่ออุปสรรคใดๆ โดยจุดมุ่งหมายของท่านคือภาคเหนือทางจังหวัดเชียงใหม่ที่พระหนุ่มยังไม่เคยจาริกทุ ด, ดงกรรมาฐานผ่านไปเมื่อเข้าสู่เขตทางภาคเหนืออากาศจะมีความแตกต่างกับทางบ้านเกิดของท่านอยู่บ้างคืออากาศจะเย็นแล้วก็อุดมไปด้วยต้นไม้ทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่มีภูเขามากมายทั้ทงลูกใหญ่และลูกเล็กขึ้นสลับซับซ้อนภูเขาขนาดเล็กๆที่ขึ้นสลับซับซ้อนมองดูแล้วก็มีความเจริญตาเจริญใจไปตามจินตนาการนะคะ บางก็มองดูเหมือนโขลงช้างขนาดใหญ่มีทั้งช้างแม่ลูกอ่อนช้างโทนบ้างก็มองดูเหมือนผู้หญิงสาวนอนเหยียดยาวโชว์ความงดงามของเรีระยั่วยวนชวนให้ตกหลุมกิเลสแน่นอนค่ะว่าความงดงามดังกล่าวที่มานี้หลวงปู่แหวนหาได้ให้ความสนใจประการใดไม่สิ่งที่ท่านสนใจคือสถานที่เหมาะสมสําหรับปักกลดเพื่อเจริญภาวนาธรรมกรรมฐานอันเป็นเส้นทางของความหลุดพ้นนะคะหลวงปู่แหวนท่านก็ได้ที่เหมาะสมสำ รับปักกรดเจริญภาวนาที่นั่นค่ะเป็นพื้นที่ราบเล็กๆนะคะมีอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่น้อยที่ขึ้นเรียงรายออกกิ่งก้านเขียวฉ่มเป็นบริเวณกว้างแต่ว่าใต้ต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นค่ะแทรกแซมไปด้วยพุ่มพงดงชัดอันรกเรือแต่ว่าบางแห่งนะคะโล่งค่ะ มียญ้าขนอ่อนขึ้นทั่วบริเวณมองดูผิวเผินก็จะเหมือนผืนพรมสีเขียวขนาดใหญ่นะคะหลังจากจัดการกับกรดแล้วก็เครื่องบริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสงพระอาทิตย์ก็เริ่มหมุนมัวลงทุกขณะเพราะว่าเวลานั้นมีสัญญาณบอกเวลาตามธรรมชาติก็คือฝูงนกป่าและก็สัตว์ป่าต่างๆร้องเรียกเรียกหาคู่เพื่อบอกกล่าวว่าได้เวลาเข้าหลับเข้านอนแล้วนะแล้วก็ยังมีเสียงหนึ่งค่ะที่เป็นเสียงป่ามันเป็นเสียงที่คนขวุนอ่อนได้ยินแล้วก็ต้องขนหัวลุกแน่ๆเลยเพราะว่าไม่มี ใครรู้ว่ามันเป็นเสียงของสัตว์ประเภทใดเสียงนั้นก้องกลางวันมาแต่ไกลนะคะประเด็นหนึ่งว่าเป็นเสียงกับประกาศสิทธิ์คาเตือนจากป่าเหล่าสัพรพสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางวันก็หาที่ซ่อนตัวเพื่อหลับนอนกันได้แล้วก็เป็นเวลาที่สัตว์ป่าจำพวกหนึ่งนั่นคือสัตว์ตอนกลางคืนเพิ่งจะตื่นจากการหลับไหลแล้วก็ได้เวลาหากินแล้วนะคะ พันก็มีสัตว์ปีกจำพวกหนึ่งค่ะคือพวกค้างคาวบินร่อนสวัดเฉวียนวนเวียนไปมาก่อนจะบินไปหาอาหารของมัน ซึ่งมีอยู่มากมายนะคะนอกจากค้างคาวแล้วก็ยังมีพวกนกเขาแมวชนิดต่างๆอันเป็นสัตว์ปีกที่ออกหาล่าเหยื่อตอนกลางคืนบนผืนหญ้าสีเขียวที่เขีเขยวเข้มนะคะแล้วก็มีเสียงของพวกจิ้งรีดได้เวลาของมันออกหากินน้ําค้างบนยอดหญ้าเสียงเหล่านี้ค่ะหลวงปู่แหวนท่านมีความคุ้นเคยมาพอสมควรเนื่องจากป่าทุกป่าจะต้องมีสัตว์เหล่านี้แต่งแต้มสีสันของป่าให้หน่าอยู่นั่นเองนะคะหน้าโกรดมีลานดินนะคะพอที่จะ เดินได้ค่ะแม้ว่าจะแคบไปบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่ประการใดหลวงปู่ท่านก็กำหนดกิริยาเดินจงกรมไปมาอย่างช้าๆโดยมีสติคอยควบคุมแล้วก็รับรู้ทุกอิริยาบทอยู่ตลอดเวลานะคะขณะนั้นจิตของท่านแนบแน่นสนิทอยู่กับกิริยาที่กำลังดำเนินอยู่ค่ะไม่วอลกแวกหวั่นไหวเลื่อนไหลไปกับเสียงเรียกร้องหรือว่าเสียงร้องของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น แสงพระอาทิตย์ที่ให้ความสว่างแสนสดใสงดงามได้จากขอบฟ้าไปนานแล้วด้วยความเมื่อยล้าจึงได้เวลาพักผ่อนคงทิ้งหน้าที่ให้กับรติการเข้ามาทําหน้าที่ต่อเพื่อชีวิตของสัตว์อีกจําพวกหนึ่งอาศัยตามที่ธรรมชาติได้กําหนดนะคะหลากหลายความลึกลับที่แฝงเร้นตัวอยู่ในป่าก็ได้เวลาออกเร่ร่อนแสดงตนเช่นกันความมืดคือเวลาของพวกเขาความสว่างในตอนกลางวันเป็นเวลาหลับนอนของสิ่งเร้นลับเช่นกัน แต่ว่าชีวิตของพระธุดงกรรมฐานไม่มีวันเวลาที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนท่านพูดจเจริญด้วยธรรมปฏิบัติไม่มีกลางวันและกลางคืนทุกเวลาทุกนาทีคือการค้นหาและการสลัดกองกิเลสให้ล้มหายตายจากไปจากจิตใจกลางคืนเป็นเวลาอันเงียบสงบแล้วก็เป็นเวลาที่เงียบที่สุดและถือว่าเป็นเวลาเร่งความเพียรของพระปฏิบัติทุกรูปค่ะ แล้วก็เป็นเวลาเดียวกันที่ความเร้นลับของป่าจะมาปรากฏตัวเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่หลวงปู่แหวนท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าจิตของท่านก็กําลังเข้าสู่ความเป็นสมาธิฉับพลันก็มีเสียงอื้ออึงเหมือนเสียงลมกําลังพัดมาอย่างแรงเสียงกิ่งไม้ใหญ่หักโครมครามดังสนั่นป่าแม้กระทั่งต้นยางใหญ่นะคะที่ยืนตระ n g g a n อยู่ข้างทางเดินจงกรมก็ยังได้รับได้รับแรงลมนะคะกิ่งก้านหากักถล่มหลวงปู่แหวนก็เลยหยุด แล้วก็แงนหน้ามองดูกิ่งต้นยางใหญ่ที่หักแล้วก็เสียงโครมครามนะคะท่านบอกว่าเห็นร่างของอมนุษย์ค่ะปรากฏตัวขึ้นมานะคะโดยที่มันเอาเท้าเกี่ยวกับต้นยางใหญ่บนยอดเขาสูงแล้วก็ห้อยหัวลงมาเรียกกับพื้นดินตลอดเรือนร่างอันสกรปรกของมันบวมฉุ ด, ดํำคล้ำมีเพียงเศษผ้าดุ้งริ่งพันเอาไว้บนสะโพกผืนเดียว หน้าตาของมันน่าเกลียดน่ากลัวในตาเหลือกถลนขุนแดงประหนึ่งว่าตาของสัตว์ป่าที่ได้รับความเจ็บปวดอย่างทุกทรมานสุดพันลนาผมยาวรุงรังเป็นฝอยค่ะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยย้อยลงมาถึงพื้นดินและมันก็ไกวแกงไปแกงมาหลวงปู่แหวนท่านที่จะหวนไหวไปกับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่านกลับเกิดความเวทนาอย่างยิ่ง แล้วก็ได้พิจารณาภาพที่ปรากฏเป็นกายหยาบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินจงกรมภาวนายุบหนอพองหนอต่อไปจนครบวาระจึงถอนจิตออกจากสมาธิค่ะแล้วก็เหลียวมองไปยังต้นยางใหญ่ที่อมนุษย์ปรากฏตัวให้เห็นเมื่อสักครู่อีกครั้งปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีร่างของอสุรกายแต่อย่างใดนะคะ การเที่ยวทุดงมาจังหวัดเชียงใหม่ของพระหนุ่มผู้ฝากฝ่ในดวงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวนั้นท่านก็ได้ประสบการณ์มากมายค่ะทั้งสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตในป่านะคะแทนที่จะหวั่นไหวหรือหวาดกลัวท่านกลับเกิดความเวทนาสงสารเป็นกําลังในความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของพวกเขา เกิดแต่กรรมชั่วอันเป็นความมืดบอดมาตลอดชีวิตกระทั่งเป็นวิญญาณแล้วก็ยังหลงงมงายไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าขาดการอบรมสั่งสอนถึงการทำดีและทำแต่ความชั่วนะคะสิ่งที่สนองตอบนั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุนี้ค่ะ ทำให้หลวงปู่แหวนแล้วก็จะนําดวงธรรมอันประเสริฐมาสอนพวกเขาเพื่อเปิดตาให้แสงธรรมอันเป็นดวงประทีปหรือว่าแสงสว่างแก่พวกเขาให้หลุดพ้นจากความมวัวเมาแล้วก็ลุ่มหลงในกิเลสจนตามืดบอดตลอดมาเมื่อเหตุการณ์ขนหัวลุกได้ผ่านไปแล้วท่านจึงละจากที่เดินจงกรมตรงไปยังเนื้อผาท่านได้พิจารณาดูแล้วนะคะว่าเป็นที่ที่เหมาะสมแก่การพักพิงขณะบําเพ็ญภาวนาธรรมจึงได้ประวัณาเป็นที่พัก เพราะว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะค่ะมีทานน้ําไหลพอได้อาศัยเป็นน้ําดื่มน้ําใช้แล้วก็ใช้สงให้สบายกายอยู่ไม่ไกลนักนะคะใต้เงื้อมผาเป็นที่อับลมค่ะด้านบนประหนึ่งว่าเป็นหลังคากลางกั้นบ้านน้ําค้างที่พร่างพรมจากอ่าฟ้าไม่ขาดสายท่านก็นั่งสงบนิ่งท่ามกลางความสงัดวังเวงทําสมาธิแน่วแน่ลงสู่ภูมิปัญญาเพื่อค้นหาโมฆะธรรมต่อไป เวลาได้ผ่านไปอย่างเชื่องช้ากว่าที่จะเป็นมานะคะจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่หมุนเวียนมาถึงวิถีแห่งป่าเขาลำนอทรายก็เริ่มดําเนินตามวิถีเป็นมาตั้งแต่บรรพาการบรรดาสัตว์ป่าก็รู้วิถีวาระของพวกมันค่ะว่าหมุนเวียนมาถึงแล้วหลังจากได้หลับไหลตลอดทั้งคืนเสียงจอแจก็เกิดขึ้นในรุ่งเช้ามันก็เป็นบรรยากาศใหม่สําหรับลวงปู่แหวนแม้แต่อากาศในยามรุ่งอรุณก็แตกต่างไปจากที่อื่นค่ะ เสียงเรียกเรียกหาคู่ของสัตว์ป่าก็มีความแตกต่างอยู่บ้างวิถีธรรมชาติตามธรรมชาติของสัตว์ป่าทําให้ท่านได้เรียนรู้ในบทธรรมอีกข้อนึงนะคะว่าการหมุนเวียนของสัตว์ป่าที่ออกหากินกลางวันและสัตว์ป่าอีกพวกหนึ่งที่ออกหากินกลางคืนพวกมันแบ่งเวลากันออกมาทำมาหากินดังนั้นก่อนรุ่งอรุณเพียงไม่กี่นาทีสัตว์กลางคืนได้เวลากลับเข้ารังนอนของพวกมันสวนทางกับการออกหากินของสัตว์กลางวันนะคะ บรรยากาศเช่นนี้คงมีเฉพาะในป่าใหญ่เท่านั้นอันเป็นความสุขของการปฏิบัติแต่ในแต่ละวันแต่ละคืนค่ะไม่ดิ้นรนค้นหาความสวยงามในทางโลกดังนั้นเครือ่องห่มกายของพระป่าจึงไม่เป็นสีเงาสีเหลืองสดใสเป็นเพียงของห่มกายไม่ให้อายผีสางนางไม้เท่านั้นพระปฏิบัติจึงน่งนุ่งสีเหลืองมมอมอัวมวหม่มมนห ม, มนนะคะหรือว่าซิดซีดเพื่อให้รู้ว่าท่านเป็นพระเท่านั้นค่ะ ทิ้งหนึ่งที่พึงปฏิบัติไม่ว่างเว้นนั่นก็คือการออกบินธบาตตามหมู่บ้านเพื่อมาขบฉันเพื่อหล่อเลี้ยงสังคารทุกเช้าของวันใหม่นะคะหลวงปู่แหวนท่านก็ได้ทำกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็ครองจีวอนสะพายบาทแล้วก็ออกโครจรมุ่งสู่บ้านเล็กๆนะคะที่อยู่เชิงเขาแต่เช้าพอๆกับการออกหากินของสัตว์ป่าเช่นกัน แรกแรกของหลวงปู่แวนนะคะท่านไม่รู้หรอกนะคะว่าเพิงผาหรือว่าถ้ำที่ท่านอาศัยพักพิงนั้นมีชื่อนะคะว่าถ้ำเชียงดาวนะคะบนดอยที่ท่านเพิ่งมารู้ทีหลังเนื่องจากว่าท่านเป็นพระทุดงที่เดินท่องเที่ยวทุดงมาจากถิ่นอื่นแล้วก็ไม่รู้จักหรือว่าคุ้นเคยกับชื่อและสถานที่แล้วก็ตัวท่านเองก็ไม่ประสงค์อยากจะรู้เท่าไรนักนะคะเพราะว่าไม่ได้มีความจาเป็นในการรู้เลย เสนาสนะป่าที่ใดที่เหมาะสมที่นั่นก็จะเป็นที่ปักกลดแล้วก็จเจริญภาวนากรรมฐานไปเรื่อยๆค่ะโดยไม่ได้ถือว่าเป็นหลักปักฐานถาวรใดๆแลวก็ที่ถ้ำเชียงดาวนี้ก็เช่นกันเมื่อใดที่ท่านภาวนาธรรมกรรมฐานพอเหมาะพอควรแล้วท่านก็จะต้องจากมันไปหาที่อื่นไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ แล้วก็ในคืนต่อมาขณะที่ท่านเดินจงกรมทำความเพียรอันเป็นวัดปฏิบัติของท่านตามปกติไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งสิ้นค่ะท่านมุ่งปฏิบัติทำเพียงอย่างเดียวท่านกลางความสงัดเงียบของป่าใหญ่ในายามดึกนะคะเสียงลมบนดังอื้งมาอย่างรุนแรงเช่นคืนก่อนนั้นแสดงถึงที่อาการมาของอมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งดอยจะมาปรากฏตัวเป็นกายหยาบอีกค่ะ หลวงปู่แวนหยุดเดินจงกรมทำความเพียงแหนหน้าขึ้นไปบนกิ่งต้นยางใหญ่นะคะที่สูงเฉียดฟ้าก็ปรากฏว่าเมียนร่างของอมนุษย์ตนเดิมนั้นอีกค่ะโดยที่มันเอาเท้านะคะเกี่ยวไว้กับกิ่งยางแล้วก็ห้อยหัวลงมาจนผมที่ยาวรุ่มร่ามสกปรกของมันนี่เรียพื้นดินเช่นคืนก่อนแต่ว่าการมาของมันคราวนี้ผิดกับมาเมื่อวานค่ะเพราะว่ามันมองหลวงปู่แวนไม่ลดละ แต่เมื่อเห็นว่าท่านไม่เหลือบแลมองมันก็จะหายไปเหมือนคืนแรกหลวงปู่แหวนเองก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการปรากฏตัวอย่างน่าเกลียดน่ากลัวของมันแทนที่จะกลัวลนลานหนีเตลิดเปิดเปิงลงจากดอยแต่ว่านั่นไม่ใช่วิสัยของหลวงปู่แหวนนะคะใจของท่านไม่หวั่นไหวพลั้นพรึงต่ออสุรกายร้ายตนนั้นมันยังคงแสดงตนหลอกหลอนให้กลัวแต่เมื่อไม่ได้ผลมันก็หายไปหลวงปู่ก็ทําความเพียรเหมือนเดิมกระทั่งได้เวลาเข้ากรด เปลี่ยนเอริยาบทในการเจริญภาวนาต่อไปหลายคืนผ่านไปไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นค่ะอามนุษยตตนนั้นก็หายหน้าไปไม่มารบกวนการเจริญธรรมของท่านถึงมันจะมาหรือไม่มาท่านก็ไม่ได้คิดอะไรมันจะมาก็เรื่องของมันมันจะไปก็เรื่องของมันนะคะในคืนอันเงียบสงัดค่ะพรันก็เกิดลมพายุพัดมาอย่างรุนแรงเสียงดังอื้ออึงกว่าทุกครั้งที่เคยปรากฏประหนึ่งว่าต้นไม้น้อยใหญ่จะหักโค่นระเนรระนาด แต่เป็นเรื่องแปลกนะคะคุณผู้ฟังที่กระแสลมรุนแรงนั้นหาได้มาประทะกายกับหลวงปู่หรือว่าจะเป็นมุ้งกรดของท่านแต่ประการใดจะมีก็แต่สายลมเย็นธรรมดาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นและนี่ก็เป็นช่วงจังหวะเดียวค่ะกับทุกครั้งในการมาของอสุรกายตนนี้หลวงปู่แหวนจึงจับทิศทางการมาของมันได้ขณะเดินจงกรมแต่ว่าคราวนี้ท่านไม่มองไม่สนใจทําความเพียรไปเรื่อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะว่าหลวงปู่เองก็รู้อยู่แก่ใจนะคะว่ามันมาแม้จะแสดงความรุนแรงยิ่งใหญ่ท่านก็ไม่หวั่นไหวและก็ไม่สนใจแต่ต่อเมื่อพิจารณาการมาของมันซ้ำซากหลายครั้งท่านก็คิดว่ามันคงไม่มีเจตนามาหลอกหลอนหรือว่าเจตนาร้ายอย่างที่คิดคงมีเจตนาอื่นแอบแฝงคงต้องส่งกระแสจิตสอบถามความประสงค์ของมันดูว่ามันประสงค์สิ่งใดและเมื่อคิดได้นะคะหลวงปู่ท่านก็สารวมจิตกระแส ส่งกระแสะรับรู้ออกไปพร้อมกับกล่าวว่าดูก่อนเธอผู้มีพบชาติต่างจากเราท่านไม่รู้เลยหรือว่าท่านกำลังก่อบาปสร้างเวรให้แก่ตัวท่านเพิ่มไปอีกโดยการมารบกวนบั่นทอนการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้อสุรกายผู้มาเยือนถึงที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่แหวนก็ได้ตอบกลับมานะคะคุณผู้ฟังบอกว่า การมาปรากฏตัวของกระผมหาได้มีเจตนารบกวรเจริญภาวนาของพระคุณเจ้าแต่ประการดใดไม่การมาปรากฏตัวให้พระคุณเจ้าได้พบเห็นกายหยาบก็หวังเพียงความเมตตากรุณาจากพระคุณเจ้าเท่านั้นมิได้มีสิ่งอื่นแอบแฝงเลยเอาละเมื่อรู้เจตนาการมาปรากฏตัวของเธอแล้วเราอยากจะรู้ว่าเธอเป็นใครได้ก่อกรรมทำเขียนอะไรไว้จึงตกทุกข์ได้ยากอยู่ในสภาพอันไม่น่าดูเช่นนี้ เปรตตัวนี้ก็บอกนะคะว่ากระผมทนทุกทรมานแสนสาหัสในสภาพของเปรตที่ไม่น่าดูเช่นเช่นที่ท่านเห็นมานั้นก็เพื่อมีความปรารถนาให้หลุดพ้นจากอัตภาพที่แสนเร่าร้อนทรมานเป็นที่สุดแต่ไม่มีใครหรือผู้ใดเข้าใจและช่วยได้หลายครั้งแล้วที่กระผมปรากฏกายอยากให้คนอื่นเห็นก็เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่กลับกลายเป็นว่าในทุกครั้งที่มาปรากฏการให้เห็นเป็นการทำให้สะดุ้งกลัวต่อผู้พบเห็นจนหนีเตลิดเปิดเปิงไปหมดมีแต่พระคุณเจ้าเท่านั้นที่ไม่ยอมหอบบริหารหนีลงเขาไปหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังเปรตอสุรกายผู้บาปหนาะก็ได้เล่าถึงความหลังในอดีตนะคะตอนที่เป็นคนนะคะทำกรรมอะไรไว้ถึงมาเสวยกรรมในภพภูมิของเปรตค่ะ ก็บอกไปนะคะว่าเมื่อครั้งที่มีชาติกำเนิดเป็นมนุษย์ค่ะเขาได้อาศัยทำมาหากินอยู่และแวกเชิงดอยแห่งนี้หากแต่ว่าเป็นคนพานสันดานโฉดไม่เคยเชื่อเรื่องบาปกรรมนะคะหรือว่าบาปบุญคุณโทษว่ามีอยู่จริงนะคะจึงมัวเมาอยู่กับความชั่วมาโดยตลอดโดยเริ่มต้นตั้งแต่การเสพสุราเล่นการพนันกระทั่งเข้าไปคบกับพวกมิจฉาชีพ คุมพวกออกปล้นสะดมชิงทรัพย์ของผู้อื่นครั้งแล้วครั้งเล่าหากเจ้าทรัพย์รายใดฮึดสู้ขึ้นมาเพราะห่วสมบัติของเขาก็จะฆ่าให้ตายทุกรายอย่างหน้าอนาถค่ะ แม้ว่าตัวของเขาเองจะไม่เชื่อเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแต่เขาก็มีความเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่อยู่ภายในถ้าเชียงดาวก่อนจะออกปล้นทุกครั้งพวกเขาจะมากราบไหว้ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธรูปให้ช่วยปกปักรักษาและขอให้งานที่กําลังประสบความสําเร็จนี้อาที่กําลังจะทำเนี่ยนะคะให้ประสบความสําเร็จทุกครั้ง การออกล้นทุกครั้งสําเร็จทุกครั้งค่ะจึงมีความเชื่ออย่างสนิทใจว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ช่วยทำให้เกิดความฮึกเหิมทะนงกําเริบเสบสารเป็นทวีคูณโดยไม่ได้รู้เลยนะคะว่าพลังแห่งความชั่วช้ายังไม่ถึงวาระของการแสดงผลให้เห็นเท่านั้นจนกระทั่งสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังที่เขาจะไปปล้นทรัพย์รายหนึ่งเข้าไปกับพวกเพื่อนจนด้วยกันก็เลยพากันไปกราบไหว้ขอพรอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองเช่นเดิม แต่ไม่รู้นะคะว่าเป็นด้วยเวรกรรมที่ได้ก่อไว้มันได้มาถึงแล้วเรื่องราวของการวางแผนปล้นทั้งหมดรั่วไปถึงหูของเจ้าของบ้านเข้าฝ่ายเจ้าของบ้านก็เลยเตรียมรับมืออย่างเต็มที่โดยไม่ยอมให้กลุ่มโจรมาข่มเหงรังแกง่ายๆดังนั้นนะคะเมื่อยกพวกเข้าปล้นจึงได้รับการต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์ทำให้เขาสู้ไม่ได้ก็ต้องถอยหนีกระเจิดกระเจิงตัวใครตัวมัน ตัวเขาเองก็ถูกเจ้าทรัพย์ฟันได้แผละกันมาด้วยโดยหลบมาซ่อนตัวอยู่ที่ถ้าเชียงดาวแห่งนี้ขณะนั้นจิตใจพลุ่งพลาดอาฆาตอย่างรุนแรงสุดขีดถึงกับตั้งใจว่าหากหายจากการบาดเจ็บเมื่อไหร่จะกลับไปปล้นและก็ฆ่าเจ้าซัพยรายนี้ให้ตายซะแล้วก็จะไม่เหลือให้เหลือแม้แต่คนเดียวในบ้านหลังนั้นแต่พอมองเห็นพระพุทธรูปที่กราบไหว้วาสักสิทธิ์ความแค้นกลับมาตกอยู่ที่พระพุทธรูปหาว่าไม่ช่วยเหลือไม่ปกป้องคุ้มครองเช่นเคย อารมณ์ความแค้นผสมความโกรธจึงคว้าเอาขวานกระหน่ำพระพุทธรูปจนเสียญพระหลุดออกจากองค์พระมากองกับพื้นจิตใจจึงค่อยสงบลงมาบ้างแต่ว่าบาดแผลที่ถูกฟันมานั้นมันบาดลึกไม่ยอมหายยิ่งนานวันมันยิ่งเจ็บปวดแสนสาหัสไม่มีเยียวยาใดๆมารักษาทั้งยังขาดการดูแลตัวของเขาเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้ขาดน้ําขาดอาหารในที่สุดเขาก็ขาดใจตายอยู่ในถ้ำนี้นี่เองและเมื่อตายไปแล้วจิตวิญ ญ, ญาณที่ ตายไปไม่ได้สูญหายไปอย่างที่เคยคิดหากแต่ว่าไปเกิดในภูมิของเปรตตามแรงกรรมที่ได้ก่อไว้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสยิ่งกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่กว่าการเป็นมนุษย์หลายเท่าตัวต้องวนเวียนอยู่ในอาณาบริเวณของถ้ำเชียงดาวเรื่อยมาเป็นเวลานานหวังจะได้พบกับพระสงฆ์พูดเจริญด้วยเมตตาบารมีและผู้มีศีลบริสุทธิ์ช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานไปเสียทีแต่ก็หาได้มีผู้ใดเมตตาแล้วก็สงสารเขา ความหวังของเขานะคะคุณผู้ฟังก็คือการที่จะได้พบกับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยทรบา ร, รมีอันประเสริฐเช่นนี้แล้วเขาก็เลยออกมาขอความเมตตาสงเคราะห์ให้หลวงปู่แหวนนะคะผ่อนคลายความทุกข์ทรมานที่กำลังได้รับอยู่นี้เมื่อหลวงปู่ท่านได้รับรู้ความต้องการของอสุ ร, รกายตัวนี้แล้วท่านก็มีความรู้สึกสงสารในความทุกข์ทรมานแต่ก็เห็นว่าสาสมกับสิ่งที่เขาทาเมื่อครั้งที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ กรรมที่ทํานั้นเป็นกรรมหนักที่ตัวของมันเองต้องได้รับผลกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะรู้ว่าเปรตตัวนี้นี่มีกรรมหนักแต่ว่าด้วยความเป็นพระผู้เต็มล้นไปด้วยความเมตตากรุณาแก่ผู้ได้รับความทุกข์จิตของสมณะอ่อนโยนด้วยความเวทนาและเมตตาจึงหลับตาสํารวมจิตหน่วงเอากุศ ล, ลกรรมที่ท่านได้ปฏิบัติมาในการเจริญภาวนาก็ดีตลอดจนกุศลใดๆที่ท่านได้รับมาแผ่ไปด้วยความเมตตากรุณาเพื่อให้พ้นจากบ่วงแห่งความทุกข์ คุณผู้ฟังคะเมื่อหลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะท่านลืมตาขึ้นมามองไปยังกิ่งยางที่เคยเห็นรูปกายของเปรตตนนั้นปรากฏว่าเหลือแต่กิ่งยางที่ว่างเปล่าค่ะไม่เห็นรูปร่างของเปรตอสุรกายตัวนั้นเลยจนกระทั่งหลวงปู่แหวนได้ลงจากดอยถ้ำเชียงดาวตามเส้นทางของพระปฏิบัติไป ชีวิตสุดท้ายของหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านทั้งหลายย่อมรู้จักกันดีเพราะท่านเป็นพระอริยะสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่ควรเคารพกราบไหว้คุณงามความดีของท่านแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามค่ะ อันที่จริงในความเป็นพระปฏิบตัติต้องเที่ยวทุดงไปในที่ต่างๆท่านได้พบกับสิ่งเร้นลับที่เราไม่รู้มากมายล้วนแต่มีความระทึกใจระทึกขวัญจนขนหัวลุกทั้งนั้นค่ะ